พ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจเข้าไว้ภายในใจมันจะอยู่ภายในได้ก็อาศัยสติเป็นผูกระลึกเข้าไปประคองจิตนั้นไว้ <c oughs> ปกติของจิตนี่มันจะต้องคิดไปในอารมณ์ต่างๆบันนี้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาก็จะพยายามประคองจิตนี้ไว้อย่าให้มันคิดไปเพราะมเมื่อมันคิดแล้วมันก็ไม่สงบ เมื่อมันหยุดคิดลงไฟนั่นนะมันจึงสงบลงได้โดยที่เราน้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นั่นแหละนึกถึงว่าเป็นที่พึ่งอันประเริดของตนที่พึ่งอื่นไม่มีที่ไปเส์จิ้งไปกว่านี้ไม่มี บางคนก็ว่าอ้าวพระคุณอยู่ที่ไหนไม่เห็นมี <c oughs> อันพระคุณของพระพุทธ เ, ทเจ้าพระธรรมประสงค์นั่นไม่มีรูปร่างมันก็เช่นเดียวกับบุญกุศลนั่นแหละอยู่ที่ไหนตัวบุญตัวกุศลน่ะไม่เห็นมีรูปร่างอะไร มันเป็นธรรมารมที่เกิดขึ้นในใจของผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเท่านั้นแหละผู้มีศรัทธาเลื่อมใสน้มใจเข้าไปตั้งลงภายในแล้วก็นึกถึงพระคุณอันประเสริฐทั้งสามนี้ เราเชื่อมั่นลงว่าพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานจริงๆพระธรรมที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งนั้นก็เป็นพระธรรมอันบริสุทธิ์จริงๆพระสงฆ์ที่ออกบวชและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั่นก็ เป็นผู้บริสุทิ์หมดจดตามพระองค์ไปที่ได้นามว่าพระโสดาบันพระชกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันท่านทั้งสี่จำพวกนี้เป็นผู้ได้บรรลุมรรคตามพระศ า, าสดาไปตามกำลัง วาสนาบา ร, รมีของตนของตนมีอนนย่แต่ว่าท่านผู้เกิดก่อนท่านก็บรรลุแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วก็มีส ม, มุิทีสงสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกระโน้นจนมาถึงปัจจุบัน ถึงปัจจุบันนี้ข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์ก็ยังมีอยู่ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นก็สามารถละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิสันดาอันนี้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าหมดยุคหมดสมัยของมรรคของผล ไปแล้วดังที่ความเข้าใจของคนบางคนบางพวกพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับ <c oughs> สุพัต t ะบรรพุทธบรรชิตผู้บวกบวช ว, วันสุดท้ายของวันพระ อ, องค์ปรินิพานนั้นทรงตรัสว่า เมื่อผู้ใดยังมีศรัทธาปฏิบัติตามศีล ส, สมาธิปัญญาหรือว่ามักมีองแปดนี้อยู่ตราบใดแล้วโลกนี้ย่อมไม่ว่างจากพระอระหันต์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้เพราะนั้นควรพากันใขค้ควรพิจารณาดู มันก็เป็นความจริงเพราะว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้มันเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อละกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจของคนเรานี่ให้เบาบางได้หมดไปสิ้นไปได้จริงๆนั่นจะเห็นได้ เช่นอย่างการให้ทานอย่างนี้นะถ้าผูใ้ใดมีศรัทธาบริจาคทานออกไปมันก็ทําให้ความโลภความตะหนนั่นเนี่ยเบาบางออกไปจากใจได้จริงๆอแต่ก็ยังไม่ไม่หมดหรอกมันก็ยังอยู่นะั่นแหละแต่ว่ามันเบาบางออกไปเช่นผู้รักษาศีลอย่างนี้อ่ตั้งใจรักษาศีล ตั้งเจตนาลงไฟในใจว่าหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ตั้งเจตนาฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ให้ตายตัวเล็กเนี่ยหมายเพราะว่าสัตว์ที่มองเห็นด้วยตาเละจะเป็นสัตว์ที่มีพิษก็าตามไม่มีพิษก็าตาม <c oughs> จะให้อภัยมันไปหมดเลยแล้วก็จะไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าโดยอุบายต่างๆสองล้วก็ตั้งเกตนาวิรัตละเว้นว่าจักไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้ธรรมดาสิ่งของเนี่ยมันก็มีเจ้าของ บางคนนะ่ะเมื่อไปเห็นสิ่งของเข้าไปแล้วนึกว่าไม่มีเจ้าของสวยเอาไปเลยอย่างนี้ก็มี <c oughs> อันนั้นนะ่ะท่านเดียวว่าเจตนาเป็นขโมยธรรมดาสิ่งของมันต้องมีเจ้าของแหละเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆ อยากไล่ก็ต้องติดต่อเจ้าของเจก่อนอันนั้นเป็นสามีจีกรรมเรียกว่าเป็นความประพฤติชอบต่อสมบัติของผู้อื่นข้อ 3, สามตั้งกิเตจเจตนาวิรัสตะเวน้นลงไปว่าเราจะไม่ไปส่องเสพสามีหรือภรรยาคนอื่น หรือคนได้กระามไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาก็ตามถ้าหากว่าเขาไม่ได้เต็มใจแล้วจกไม่ร่วงเกินสี่ตัง้งคิดเตจเจตนาวิรัตละเว้นลงไปว่าข้าพเจ้าจากสำรวมระวังวาจาคำพูด จกไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจะพูดแต่ความจริงจะไม่พูดหลอกลวงใครให้เห็นผิดเป็นชอบจนเสียทรัพย์เสียศินไปและจกไม่พูดซอเสียดยุโยงให้ใครแตกกล้าสามัคคีกันและจะไม่พูดคําหยาบคายคําใด ที่โลกขอสมมุติว่าเป็นคำหยาบคายเราศึกษารู้แล้วก็ไม่พูดคำนั้น <c oughs> วาจาอันใดที่โลกขสมมติว่าเป็นวาจาที่อ่อนหวานอ่อนโยนเมื่อผูใ้ใดฟังแล้วรู้สึกจับใจพอใจก็จะพูดแต่คำนั้นเรื่องราวอันใดที่ไม่มีสาระประโยชน์ จักไม่เอามาพูดพูดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์มันจะกลายไปเป็นโทษไปก็จักไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดแล้วก็นิ่งอยู่ดีกว่าอย่าไปแสหาเรื่องเล่าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์มาพูดกันให้เสียเวลาเป่าๆ เ, เพราะพูดไปแล้วเท่าไรจิตใจมันก็ฟุ่งไป มันไม่สงบถ้าหยุดพูดทวนกระแสจิตเข้ามาน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาสู่กายสู่ใจนี่ทบทวนดูร่างกายจิตใจนี่เช่นนี้นะ่ะเป็นเวลาที่มีค่ามากคนส่วนมากไม่คิดอย่างนี้ ว่าแต่เจอคนเข้าทั้งนี้เป็นอันว่าหาเรื่องพูดจนได้ไม่มีอะไรก็พูดเล่นพูดหวัวไปพูดสนุกสนานไปนึกว่าเป็นความสุขการได้พูดเล่นพูดหวัวไปอย่างนั้นน่ะมันเข้าใจผิดไปคนพูดมากกิดก็ยิ่งฟุ้งซ่านไปมาก ลืมเนื้อลืมตัวไปใจไม่ส ง, งบไม่ใช่เป็นเรื่องดีพูดเกินขอบเขตเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าพูดเพ้อเจอ้อมันก็อยู่ในจำพวกเอาอากุศลกรรมนั่นเองเนี่ยห้าตั้งคิดเจตนาวิรัตละเว้นว่า ข้าพเจ้าจักไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดโทษต่างๆแม้จะบุรี่นี่ก็นับว่าเป็นของให้โทษไม่น้อยเพราะว่าบุหรี่นี่มันก็อยู่ในสายของสุรายาเมานันแหละอมันมีธาต ทำให้เกิดความมึนเมาได้เหมือนกันนะแล้วก็มันเป็นเคมีเขาผสมเคมีเคมีเหล่านั้นเมื่อสู่ควันบุหรี่เข้าไปในกระเพาะในลำไส้แล้วอย่างนี้นี่มันมันจะไปทำลายกระเพาะลำไส้หรือว่าทำลายตับปอดให้เสื่อมโทรมลงไม่ใช่เป็นของดี บุหรี่เนี่ยอนําเชื้อโรคมาสู่กายสู่สังขารร่างกายอันนี้ได้แต่คนมันชอบติดกลิ่นของมันไม่ใช่ตื่นไกลอะไรหรอกพอสูบเข้าไปแล้วพ่นควัออกกลิ่นหอมเข้าไปแตะจมูกเข้าไปแล้วชื่นใจเั็นไหมที่แท้มันซ่อน โทษไว้ภายในนั้นไม่รู้ตัวอควันบุหรีนะ่เนี่ยมันมีโทษอยู่ในตัวไม่รู้ตัวคนไปติดแต่กลิ่นหอมของมันเฉยๆผู้ใดอยากมีอายุยืนยาวนานแล้วควรว้่ง น, นะยิงอยู่เมื่อเวลายังหนุ่มแน่นอยู่นี่ภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงมันก็ต้านทานไว้ได้มันยังไม่ ทำลายอวัยวะภายในได้ก่อนคันเมื่ออายุมากเข้าไปแล้วร่างกายมันอ่อนแอลงภูมิคุ้มกันมันอ่อนลงไปแล้วเมื่อนั้นแหละพิษของมึนเมาต่างเหล่านี้มันจะทำลายอวัยวะภายในได้ควรพิจารณาให้มันเห็นเมื่อผูใ้ใดพิจารณาเห็นแล้วมันนักเบื่อเองมันเนี่ะ เย้มันไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยมันมีแต่โทษเราจะไปท่องเสียมันไปทําไมถ้าสิ่งใดมีคุณมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จึงค่อยบริโภคเข้าไปนั่นมันจะเป็นประโยชน์มันจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปสิ่งใดมันเป็นโทษต่อร่างกายมันก็ตัดทอนอายุให้สั้นลง <c oughs> ถ้าผู้ใดรู้จักสอนใจตัวเองได้อย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายของให้โทษทีนี้มันก็เหมือนกันแหละกับกิเลสอนันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจคนเราถ้าผู้ใดทำใจสงบลงไปแล้ววันนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปให้มันเห็นโทษของกิเลสนั่นนั่น ถ้าเมื่อไม่ใช้ปัญญาวิจารณ์ดูแล้วมันไม่เห็นโทษนะกิเลสภายในใจก็เหมือนกันกันกบบุหรี่บุเหมือนกันกบสุลายาเมาส่างบุเร่ยถ้าไม่วิจารณดูแล้วไม่เห็นโทษของมันกิเลสความโลภโกรธหลงบุรีถ้าวิจารณดูโดยเหตุผลต่างๆแล้วมีแต่โทษท่านพูทธะกิเลสได้มาหมุนนั้น ก็เพราะท่านใช้ปัญญาวิจารดูว่ากิเลสเนี่ยมันมีคุณมากน้อยเพียงใดมีโทษอย่างไรอันนี้มาวิจารดูแล้วมีโทษมากกว่ามีคุณสรุปลงแล้วนะ <c oughs> ไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้ละเ <c oughs> พราะว่า อ, อ, องค์มีพระเมตตาพระกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย อยากให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์ไปในสงสารเมื่ออยากให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ดังนั้นเมื่อเมื่อพระ อ, องค์พ้นทุกข์ไปได้ด้วยกรรมวิธีอย่างไรพระ อ, องค์ก็นำมาแสดงให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฟังผู้มีวาฒนามีปัญญา เมื่อได้ฟังแล้วนั่นก็มองเห็นทางตามพระองค์ก็เดินตามพระองค์แลยแบบนี้นะภ่าเปลี่ยนพยายามะละกิเลสตัณหาเรือยไปจะเป็นครือขัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามต่างคนต่างก็มีหน้าที่ผาาเพียนพยายามละกิเลสนีเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ละกิเลสแต่พระภิกษุสามนเณรเท่านั้น ขรึกหัดไม่จำเป็นผู้ใดเข้าใจไปอย่างนั้นก็นับว่าเป็นความเข้าใจผิดถนัดจริงๆก็อุปมาเหมือนอย่างร่างกายของคนเราทุกคนนี่นะจะเป็นนักปวดหรือขรึกหัดก็าตามเลยมันก็มีเหงื่อมีใไอ่ êmes. ติดเกะกังอยู่เหมือนกันถ้าไม่อาบน้ำชำระขัดถูปล่อยไว้อย่างนี้เหงื่อใครมันก็ซึมออกมาจากภายในนู่นเทองมาติดอยู่ตามขุมขนอยู่ตามขนอยู่ตามหนังผิวหนังมือก็ส่งกลิ่นไม่น่าชวนดมออกไปจะแตะจมูกของผู้อื่นนู่นเมื่อปล่อยทิ้งไว้หลายวันไป ก็จำเป็นต้องได้อาบน้าอาบน้ำเฉยๆก็ยังไม่หมดกลิ่นต้องขัดถูด้วยสบู่ด้วยผงอะไรต่ออะไรไปนั่นแหละกลิ่นมันจึงระงับไปชั่วระยะหนึ่งขั้นเมื่อต่อไปอีกแล้วเหงื่อใครไหลออกมาก็มีกลิ่นออกมาพร้อมอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตใจของคนเรานี่ มันยึดถือเอากิเลสตัณหาไว้มาแต่อนเอกนกชาติตไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพที่ร่วงแล้วมาเกิดมาชาติใดจะเป็นคนก็ตามเป็นสัตว์ก็ตามมันก็สะสมกิเลสมาโดยลำดับชาติลำดับภพบในเมื่อได้มาเมื่อเมื่อไม่ได้พบศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครที่จะมาสอน ให้รู้จักขนทางออกจากทุกข์หรือว่าไม่มีใครจะบอกอุบายละกิเลทสทั้งๆนี้ได้ก็ต้องเป็นธาตุของกิเลสมาทุกชาติทุกภพกิเลสนี่บางทีมันเกิดจูงใจให้ไปทําความดีไปได้อยู่อ่าบางคำถ้็จูงใจไปทําความชั่วนี่แหละมันเป็นแค่ใครบโบราณทว่าผีหลอกนั่นเน่ง มันหลอกให้หลงติดหลงค้องอยู่ในโลกนี่เห็นขี้เลยตัณหาส่วนดส่วนดีนะอย่างคนที่ทำบุญให้ทานไปผลทานมาอำนวยให้มีสมบัติเงินทองเข้าของมีรูปร่างกายสวยสดงดงามอะไรขึ้นมาและวันนี้ก็มัดติดอยู่ในสมบัติภายนอก ได้แก่เงินทองเข้าของที่อยู่ที่อาศัยอันโอถงล้วมาติดอยู่สัมบัติภายในคือกายสมบัติวระชีสมบัติอเ น, นี่ยสำคัญอะเป็นของสวยของงามสำคัญอะเป็นของตนถของตัวมเมื่อมันติดมากๆเข้ามันก็ไปเพิดเพลิ น, นมัวเมาไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เป็นประโยชน์ เช่นลที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้นดิศรีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นเสภาที่ไหนไปที่นั้นเพลงที่ไหนไปที่นั้นเธอทึงที่ไหนไปที่นั้นการพนันมีอยู่ที่ไหนไปที่นั้นบามีอยู่ที่ไหนไปที่นั้นนี่กิเลสตัณหาเหล่านี้ เมื่อบุคคลมาติดมาคล้องอยู่ในผลแห่งบุญกุศลดังกล่าวมานี่นะี้มันก่อให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดความอยากสนุกสุขสนา น, นเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้เมื่อมีเงินมีทองมากเข้ามาแล้วเอ้าสนุกใช้สนุกใจใจบำรุงบำเล่ความสุขชั่วมคราวนี้ไป นี่ตัณหามันล่อจิตใจคนให้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี่หนีจากโลกนี้ไม่ได้เลยตัณหานี่ยจึงว่ามันมีทั้งส่วนดีมีทั้งส่วนชั่วตัณหาส่วนชั่วมันก็จูงใจให้ไปฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นนหะตัณหาส่วนดีมันก็จูงใจให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรม แต่คนส่วนมากนั้นสนใจแต่ให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่สนใจฟังธรรมไม่สนใจผลแห่งทานแห่งศีลมันก็ตกแต่งให้เกิดมาในโลกนี้แล้วมาร่ารวยเงินทองเข้าของมีรูปสวยรูปงามดังกล่าวมานั้นแล้วก็มาติดอยู่ในผลแห่งบุญกุศลมูนี้ติดหลงไหลอ ย, อยู่อย่างนั้นเพราะว่าแต่ชาติก่อนไม่ได้ภาวนา ไม่ได้พิจารณาหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสรรพสิ่งทั้งปวงมันเลยติดกันผู้ดใดแต่ชาติก่อนนั้นได้ปฏิบัติธรรมพร้อมครบทั้งสามอย่างให้ทานก็ให้รักษาศีลก็รักษาฟังธรรมก็ฟังภาวนาก็ภาวนามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสรรพสังขารทั้งหลาย ทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองก็มีสภาวะเหมือนกันหมดแต่ว่าอินทรียังแก่กล้ายังหลุดพ้นไปไม่ได้พอเกิดมาในชาตินี้มันก็บุญเก่านั่นเนยก็มาโดนบันดาลให้ระลึกได้พอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปเท่านั้นตื่นตัวได้เลยเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสาร เห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสตัณหาได้ ừ. ว่ากิเลสตัณหานี่แหละพาให้ตนเป็นทุกข์อยู่ในโลกวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นเลยถ้าว่าตนมาเพียรพยายามละกิเลสเป็นเหตให้เกิดทุกข์นี่ให้เบาบางไปเท่าไร่ทุกข์นี้มันก็จะเบาบางไปเท่านั้น ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็หันหน้าเข้ามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบวงจรครบวงจรแหละเมื่อปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นในตนจนเห็นผลถือว่าจนว่าใจสงบระงับลงไปจากบาปอากุศลต่างๆจนว่าเกิดปัญญา รู้เห็นสังขาร น, นามรูปนี่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัติ์บุคคลตัวตนเราเขา <c oughs> อันนี้เรียกว่าเห็นผลเห็นผลแห่งการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างภาษาสมัยปัจจุบันนี่แหละเขาพูดกัน เราทำการค้าให้ครบวงจรอก็ซื้อขายไปจนว่าได้เงินทองไม่ได้กําไรมาไว้ในถุงในถ้ยนี่เรียกว่าครบวงจรอถ้าทําการค้าอะไรไปแล้วยังไม่เห็นกําไรเลยอย่างนี้นี่ยังชื่อว่ายังไม่ครบวงจรอ การบำเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันนะต้องครบวงจรก็ได้แก่ปฏิบัติทางขิดใจให้เกิดผลเกิดความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงขึ้นมา <c oughs> อย่างนี้แหละจนว่าเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในใจว่านี่คือทุก ความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์กายความโศกเศร้าเสียใจเพลไรลําพันธ์ต่างๆนี่คือทุกข์ใจก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองทุกนี้เป็นของคนกําหนดรู้เท่าละไม่ได้ในเมื่อขันห้านี้ยังมีอยู่นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัญหาความทยานอยากไม่มีสิ้นสุด ตันหานี่เป็นสิ่งที่ควรละก็ได้เพียรพยายามละมาโดยลำดับนี่คือความดับทุกข์ก็เมื่อละตันหาความอยากได้เท่าไรทุกทางใจก็ดับไปเท่านั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่ทานเป็นข้อปฏิบัติสำหรับละความโลภความตนีออกไปจากกิจ ศีลเป็นข้อปฏิบัติกำจัดความโกรธความเมตยาบาดเบียดเบียนออกไปภาวนาเป็นข้อปฏิบัติสำกำจัดความหลงความเมาความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงออกไปนี่เรียกว่าเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติในพุทธศาสนา ก็จะมาปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติโดยความไม่พร้อมอาจแต่มันต้องอาศัยการเวลาถ้าไม่ถึงเวลามันจะรู้ยิ่งเห็นจริงมันก็รู้ไม่ได้ต้องภาคเพียรพยายามไปให้เต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมา